ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ก็คือครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สามารถบรรลุผลบรรลุธรรมได้เพราะ เป็นทางที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติยังไม่เคยไปมาก่อนเหมือนกับการเดินทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนถ้าไม่มีผู้บอกทางหรือไม่มีแผนที่บอกทางผู้เดินทางจะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ แหตใดการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการเดินทางจาเป็นจะต้องมีผู้บอกทางหรือผู้นำทางหรือมีแผนที่บอกทางถึงจะสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุด ก็คือพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ตัดสู้ทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอาหลานตัสสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนถึง ทำขั้นต่างๆแล้วลองจากพระอาหารหันตสาวกก็คือพระอนาคามีลองจากพระอนาคามีก็คือพระสกิดาคามีลองจากพระสกิดาคามีก็คือพระโสดาบันนี่คืออาจารย์ขั้นต่างๆที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติ ควรจะมีไว้เป็นผู้สอนผู้สั่งผู้นำทางถ้าไม่สามารถหาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกหรือพระอริยสงสาวกขั้นใดขั้นหนึ่งได้ก็ให้ใช้คำสอนของท่านที่ได้ถูกบันทึกไว้ ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีในแผ่นวิดีโอเป็นต้นทำคำสอนของท่านเหล่านี้ก็ยังสามารถเป็นผู้นำทางให้ผู้ปฏิบัติได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นเหมือนแผนที่ถ้าไม่มีคนนำทางก็ขอให้มีแผนที่ ก็ยังสามารถที่จะบรรลุรมขั้นต่างๆได้อย่างที่พระุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะเสด็จจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไป หลังจากที่เราตายจากพวกเธอไปแล้ว<อ>พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา<อ>จะมีศาสดามีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอน อ, อยู่ตลอดเวลา<อ>ถ้าเราไม่สามารถหาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ยังมีคำสอนของ พระอานน์ตสาวกรูปต่างๆเป็นผู้สอนเราได้อยู่คำสอนของท่านเหล่านี้สามารถที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราได้แต่สู้ตัวของท่านเองไม่ได้เพราะว่าคําสอนนั้นไม่สามารถที่จะมาสั่งให้พวกเราทํานู่นทํานี่ได้ ถ้าเราไม่เปิดฟังไม่เปิดอ่านก็เหมือนกับว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีมีครูอาจารย์อยู่ในคำสอนแต่ก็ไม่เหมือนครูอาจารย์ที่มีรูปร่างหน้าตาเวลาไปอยู่กับท่านนี่ท่านจะคอยกระตุ้นคอยเตือนคอยดึงคอยลากเราแต่หนังสือ ธรรมะนี้ไม่สามารถทำได้เราต้องเป็นคนที่ต้องฉุดลากตัวเราเองด้วยการพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนอยู่เรื่อยๆดังในมงคลลสต ร, สตรที่ได้ทรงตัดไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมก็เท่ากับการฟังการบอกทางเดินนั่นเองว่าเราจะต้องเดินไปในทิศทางไหนเราต้องทำอะไรถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะได้เอามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราว่าเรากำลังปฏิบัติตามที่ท่านสอนหรือไม่ หรือเราปฏิบัติสวนทางกับที่ท่านสอนถ้าเราเดินสวนทางเราจะได้แก้ไขเสียแทนที่จะนั่งสมาธิภาวนาเรากลับไปนั่งกินกาแฟไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือกันเปิดมือถือคุยกับคนนั้นคนนี้ ส่งข้อความหาคนนั้นคนนี้อย่างนี้พอเราได้ยินได้ฟังท่านก็บอกว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกทางที่ถูกนั้นเราต้องดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธดึงใจให้เข้าข้างใน อย่าปล่อยใจให้ออกไปทางตาหูจมูกเน่นกายเพราะจะทำให้ใจไม่สงบจะไม่ให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าดึงใจให้เข้าสู่ข้างในได้ให้เข้าสู่ความสงบได้ ใจจะมีความอิ่มมีความพอมีความสุขอย่างยิ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่และควรที่จะต้องทำอะไรบ้างถ้าเราทำถูกแล้วตอนนี้เราถึงจุดไหนแล้วเราถึงขั้นไหนแล้วเราควรจะทำอะไรต่อจากขั้นที่เรา มาถึงแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีหลายขั้นหลายตอนด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นทำทานขึ้นไปสู่ขั้นรักษาศีลขั้นรักษาศีลก็มีหลายขั้นขั้นศีลหขั้นศีล8ขั้นศีล10ขั้นศีล227หรือสามกว่าข้อ แล้วก็เข้าไปสู่ขั้นสมาธิขั้นต่างๆแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นต่างๆมีหลายขั้นด้วยกันการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเราจึงต้องมีผู้คอยสั่งคอยสอนถ้าเราไม่มีผู้สั่งผู้สอน เราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรและการมีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี้ก็จะดีกว่าการมีหนังสือของท่านเพราะหนังสือของท่านเราอ่านแล้วเราอาจจะแปลความหมายผิดก็ได้หรือไม่เข้าใจความหมายของคำสอนของท่านเราก็จะไม่สามารถที่จะไป สอบถามได้ว่าหมายความว่ายอย่างไรเพราะเวลาบางทีคนพูดนี้พูดแล้วเข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรแต่คนฟังหรือคนอ่านนี้อ่านแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจได้ถ้ามีอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ยังสามารถสอบถามได้แต่ถ้าไม่มี ก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกดูทำแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ลองทำแบบนี้ดูผู้ปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องรู้จกักทดสอบไม่ใช่ปฏิบัติแบบเอามาทั้งดุนบางทีปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผล ก็ต้องพิจารณาดูว่า เ, เราแปลความหมายของคำสอนผิดไปหรือเปล่าเช่นผู้ที่ปฏิบัติมักจะไม่เข้าใจกันระว่างสมาธิกับปัญญาว่าเวลาในทำสมาธิและเวลาใดให้ทำปัญญาเรามักจะได้ยินว่าเราต้องทำสมาธิ ทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วเราถึงจะไปเจริญปัญญาได้แต่เราก็จะเข้าใจผิดก็ได้ว่าพอจิตสงบนิ่งแล้วเราก็จะพิจารณาทางปัญญาต่อไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางที่ถูกนั้นคือเวลาเจริญสมาธิเพื่อให้ใจสงบพอใจสงบแล้ว ไม่ให้ทำอะไรให้ใจสงบนิ่งๆอยู่ไปนานๆเหมือนกับคนที่นอนหลับอย่าไปปลุกขึ้นมาให้มาทำงานพอเขานอนหลับได้ปั๊บเดียวยังไม่ทันไม่ยังไม่ทันอิ่มหลับได้ไม่กี่นาทีก็ปลกขึ้นมาลุกไปทางานเขาก็จะไม่มีแรงที่จะไปทางาน อนอนยังไม่พอเวลาคนพักผ่อนหลับนอนนี้เราไม่ควรไปปลุกเขาขึ้นมาทํางานควรปล่อยให้เขาพักนอนพักผ่อนให้นานที่สุดจนกว่าเขาจะอิ่มพอกับการหลับนอนพักผ่อนแล้วลุกขึ้นมาพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเทนี้เขาก็พร้อมที่จะไปทํางานต่างๆได้ อันใดการทำใจให้สงบก็เป็นเหมือนกับการพักผ่อนของใจเป็นการเติมพลังให้กับใจเติมอุเบกขาให้กับใจเวลานั่งสมาธิเราพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะ ดึงจิตออกมาพิจารณา ร, รมขั้นต่างๆเวลานั้นเป็นเวลาที่ให้จิตพักผ่อนให้เต็มที่ให้อยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้หรือว่าถ้าเป็นขั้นฝึกใหม่ๆจิตสงบเพียงเดียวๆพอสงบแล้วก็ถอนออกมาถ้าเรายังมีสมาธิไม่มากพอมีอุเบกขาไม่มากพอ ในขั้นแรกแรกของการฝึกสมาธินี้ควรที่จะกลับเข้าไปในสมาธิให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดก่อนยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องการเจริญปัญญาเพราะว่าจิตยังไม่พร้อมที่จะไปพิจารณาทางปัญญาควรฝึกสมาธิให้ชำนานก่อนให้สามารถอยู่ในความสงบได้นาน เป็นชั่วโมงขึ้นไปก่อนจนสามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาอย่างง่ายดายนั่งหลับตาห้านาทีจิดก็เข้าสู่ความสงบได้นะถ้าสามารถมีความชำนาญในการเข้าสมาธิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็วและตั้งอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลายาวนานหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราควรที่จะเจริญปัญญาได้แล้วเพราะถ้าเราไม่เจริญปัญญาเราหัวแต่คอยควบคุมใจให้สงบต่อไปเราก็จะเรียกว่าติดสมาธิจะทำแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวไม่ยอมทำไม่ยอมเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ต้องรอให้จิตพักออกจากสมาธิก่อน ขณะจิตนิ่งสงบสับแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานี้ไม่ใช่เวลาที่จะปิจนาทางปัญญาต้องรอให้จิตถอนออกมาการถอนออกมาหมายถึงอย่างไรก็ถอนออกมารับรูปเสียงกลิ่นรสโหพพะมารับรู้เรื่องราวต่างๆมารับรู้ความคิดปรุงแต่งพอมีความคิดปรุงแต่งแล้ว ต้องเอาความคิดปรุงแต่งนี้ที่จะไปคิดในทางกิเลสตัณหาให้มารักให้มาคิดในทางปัญญาถ้าไม่มีสติเวลาออกจากสมาธิมานี้ความคิดปรุงแต่งส่วนใหญ่จะคิดไปในทางตัณหาผู้ที่อยู่ในขั้นสมาธิเวลาออกจากสมาธิจึงต้องบริกรรมพุทโธต่อหรือจเจริญสติต่อด้วยวิธีใดวิธีหนึน่ง จะพวบริกรรมพุทโธหรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของการกระทำของร่างกายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อรักษาสมาธิที่ได้แต่ยังไม่ได้เป็นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ต้องเอาความคิดปรุงแต่งที่เราควบคุมนี้มาคิดในทางไตรลักษณ์ ให้มาคิดในทางอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงทนถาหวรไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเกิดแล้วก็มีการดับมีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไป มีการเสื่อมแล้วก็มีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้แต่ลมที่กำลังพัดอยู่นี้ก็มีพัดแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็พัดแล้วเดี๋ยวก็หยุดพัดไปเป็นเวลายาวนานเลยหายไปเลยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็กลับมาใหม่นี่คือลักษณะของอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวรมีเกิดมีดับมีมามีไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ในท้องแม่ก็มีการจเจริญเติบโตจากน้ำสองหยดมากลายเป็น อ, อวัยวะต่างๆ กลายเป็นอาการ32เป็นทารกอยู่ในคันของบิดของมารดาแล้วพอเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ได้รับการดูแลด้วยอาหารด้วยลมด้วยน้ำด้วยไฟร่างกายก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับ จนโตเต็มเต็มที่เป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มมีการเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยเริ่มกลายเป็นคนสูงอายุกลายเป็นคนชราแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปนี่คือการพิจารณาอนิจจัง กับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราต้องศึกษาให้เห็นรัดชัดว่าเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาจะมีการเจริญแล้วก็ก็จะมีการเสือ่อมแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปแล้วเราจะต้องจากเขาไป เรียกว่าอนิจจังอนัตตาอนัตตาก็คือเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเป็นชั่วคราวหรือเป็นได้บางเวลาเวลาที่เราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาทำตามที่เราสั่งก็ยังถือว่าเป็นของเราอยู่แต่เวลาที่เราสั่งแล้วเขาไม่เป็นไม่ทำอยา่างตามที่เราสั่ง เวลานั้นเขาก็จะเป็นอนัตตาไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นร่างกายนี่เวลาที่เราสั่งให้เขาไม่แก่เขาไม่ฟังเราเขาจะแก่สั่งให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้เขาไม่ตายเขาจะตายแสดงว่าเขาไม่ฟังเราแสดงว่าเขาไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ใช่ตัวเราอนัตตานี่คือการเจริญปัญญาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วให้เราเจริญปัญญากับสิ่งที่เรารักเราหวงอันไหนที่เราไม่รักไม่หวงนี่ไม่สำคัญคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นจะตายเราไม่เดือดร้อนแต่คนที่เรารักเราหวงนี่เวลาเขาเป็นอะไรนี่เราจะเดือดร้อน ที่เราพิจารณานี้เพื่อให้เราไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของคนที่เรารักเราหวงให้เรารู้ว่าเขาสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่เจ็บตายไปหรือเขาจะต้องเปลี่ยนไปวันนี้เขาอาจจะรักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้ถ้าเรารู้ไว้ก่อนเราจะได้ ทำใจได้เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเราจะไม่ไปเสียใจว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขารักเราทาไมเดี๋ยวนี้เขาไม่รักเราแล้วทำไมเขาไปรักคนอื่นจะไม่สนใจไม่ถามให้เสียเวลาเปล่าๆถ้าเข้าใจคำว่าอนิจจงเข้าใจคำว่าอนัตตาก็มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอนิจจงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา อนัตตาไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือเรื่องการเจริญปัญญาที่เราจะต้องเจริญเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วอย่าปล่อยให้ใจไปคิดว่าเขาจะเป็นของเราไปตลอดเขาจะอยู่กับเราไปตลอดเขาจะทำตามคำสั่งของเราตลอดสั่งให้ทำนู่นเขาก็ทำสั่งให้ทำนี่เขาก็ทำ สั่งไม่ให้เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นสั่งให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเองความจริงมันเป็นเป็นอย่างนั้นความจริงมันจะต้องเป็นไปตรงกันข้ามกับคำสั่งของเราเพราะคำสั่งของเรานี้เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกกับหลักความเป็นจริงนั่นเองความสั่งของเรานี่มักจะฝืนความจริง ส้างความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความแก่ไม่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมรับความตายไม่ยอมรับการพัดพากจากกันไม่ยอมรับว่าเขาจะเปลี่ยนจากรักเรากลายเป็นเกลียดเราขึ้นมาได้นี่คือการเจริญปัญญากับสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปหวงไปชอบ ไปมีความผูกพันสอนเพื่อให้เราได้เตรียมตัวทาใจนั่นเองเพราะถ้าเราทาใจแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเราจะทุกข์เราจะเดือดร้อนเราจะวิตกจะกังวลว่าเขาจะรักเราไปถึงเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เขาจะไปชอบคนอื่นเมื่อไหร่ อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องหมั่นเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราต้องหมั่นเจริญนอกจากบุคคลแล้วก็สิ่งที่เรารักเราชอบกันอยากได้กันทุกคนอยากมีกันทุกคนมีแล้วก็หวงไม่อยากสูญเสียคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกดินกายนี้เป็นสิ่งที่เราชอบกันแสวงหากัน ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ไม่มีใครอยากได้ลาบคาว่าลาบนี้พอฟังก็หอมเลยอยากจะได้กันยิ่งถ้ามาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรได้ยิ่งดีใหญ่เช่นแทงหวยอย่างนี้อแล้วก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชอบกันนักเลยอันนี้ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอด ได้มามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็หมดถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราตายเราก็ต้องจากมันไปก็ต้องทิ้งมันไปทุกอย่างมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมมีเจริญราบก็ต้องมีเสื่อมราบเวลาหมดนึกว่าหมดตัวเป็นานสิ้นนสิ้นเนื้อประดาตัวอยากจะกระโดดเติกตายกันไม่ใช่หรือ เวลาไม่มีเงินเที่ยวแล้วไม่มีเงินไปแสดงอำนาจบาดใหญ่แล้วต้องเป็นขอทานนี่จะทำใจได้หรือไม่เวลาทําธุรกิจล้มละลายอย่างนี้เป็นต้นถูกเขาฟ้องร้องล้มละลายมีทรัพย์เท่าไหร่ถูกเขายึดหมดเลยส่วนใหญ่พอคนถึงเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วรับไม่ได้กันทุกคนต้องฆ่าตัวตายกัน เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทไําไหอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าไม่สอนตนเองไม่เตือนตนเองไว้ก่อนล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นต้องเวลาใดเวลาหนึ่งเวลาตายก็เหมือนกันเวลาตายก็สูญหมดเลยเป็นเศรษฐีพันล้านก็สูญหมดเลยพันล้านเป็นเศรษฐีหมื่นล้านก็สูญหมดหมื่นล้าน ไม่ได้เป็นของเราแล้วเงินเหมือนล้านนั้นเป็นของคนอื่นไปแล้วเป็นของลูกของหลานของสามีของภรรยาไปแล้วของคนที่เขายัางอยู่แต่เราตายไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นของเราเราหามาด้วยลาแข้งลํำขาด้วยกําลังของเราเองแต่พอตายแล้วหมดสิทธิ์หรือถูกเขาโกงไปก็หมดสิทธิ์ได้เหมือนกันะ มีคนมาฟอร์อมลายเซ็นเอาไปเบิกเงินที่มีในธนาคารไปหมดเลยไม่มีเหลืออยู่แม้แต่บาทเดียวยิ่งสมัยนี้ระวังไว้ฝากงินเดี๋ยวนี้เป็นระบบออนไลน์กันเดี๋ยวเกิดใครมันเข้าไปเอาพาสเวิร์ดเราได้มันมันเบิกไปหมดเลยมีเท่าไหร่เอาไปหมดเลยนี่คือเรื่องของอนิจจังอนัตตาของลาบ เงินทองยศก็เหมือนกันตำแหน่งต่างๆมีเจริญก็มีเสื่อมได้ได้ตำแหน่งนี้แล้วต่อไปก็อาจจะถูกเขาปลดก็ได้เป็นผู้จัดการเดี๋ยวบริษรรัทเขาไล่ออกจากงานก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไปทำงานไม่ได้เขาก็ปลดเราออกจากตาแหน่งต่า ง, า ง, า ง, างๆได้เพราะเราไม่สามารถ ทำหน้าที่ทำงานทำไรายได้ให้กับเขาได้เขาก็ไม่ตั้งเราให้เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆที่เขาตั้งเราก็เพราะว่าเขาจะใช้เราหาเงินให้กับเขานั่นเองพอเราไม่สามารถหาเงินให้เขาได้เขาก็ปลดเราไปตั้งคนใหม่ขึ้นมานี่ก็เรื่องของยศของตําแหน่งต่างๆเขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเป็นนาย มันดีขึ้นดีเขาิเบื่อเราโกรธเราเขาก็ปลดเราได้จําไว้นะว่าถ้าตั้งได้ก็าปลดได้ต้องอัปต้องเป็นในสิ่งที่เขาปลดไม่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งไม่ได้เราต้องตั้งเองเราต้องเป็นเองเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครปลดได้เป็นพระอหรหันต์แล้วนี่ไม่มีใครปลดได้ให้มันเป็นเราต้องตั้งของเราเองเป็นของเราเองะ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครปลดได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกก็ดีตําแหน่งของท่านนี้เป็นโลกุตตะระเป็นตําแหน่งที่เหนือโลกิยะเหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาตําแหน่งพระพุทธเจ้าตําแหน่งพระอาาริยสงสาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันตสพระพุทธเจ้านี่เป็นแล้วปลดไม่ได้ เป็นแล้วไม่มีวันเสื่อมเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่มีวันเสื่อมกลับมาเป็นปุตุชนธรรมดาเป็นพระสกิดาคามกิดาขามีแล้วก็ไม่เลื่อนลงมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีก็ไม่เลื่อนลงมาเป็นพระสกิดาขามีพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เลื่อนลงมานี่คือโลกุตตะ ตำแหน่งหรือยศที่ไม่มีวันที่มีใครจะปลดได้ไม่เหมือนกับยศต่างๆตำแหน่งต่างๆที่เป็นโลกิยะเช่นเป็นพรหมนี่ก็ยังปลดได้ยังเสื่อมได้อยากพรหมก็เลื่อนลงมาเป็นเทพอยากเทพก็เลื่อนลงมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าไปทําบาปทํากรรมก็เลื่อนลงไปเป็นเดรชะฉานต่อไปเป็นเปรต ไ, ไปตกนรกต่อนี่คือโลกิยะ ยังมีการเจริญมีการเสื่อมพอไปตกนรกใช้กรรมหมดแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอมาทำบุญใหม่มาศึกมาปฏิบัติทำใหม่ก็ได้เป็นเทพได้เป็นพรหมใหม่แล้วถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะรู้จักวิธีก้าวขึ้นสู่ขั้นโล ก, กุตตระก้าวขึ้นสู่ขั้นที่ไม่มีวันเสื่อม ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาอื่นจะสอนให้ได้เพียงขั้นโลเกียคือขั้นสมาธิขั้นพร ม, มาโลกสมัยก่อนที่พระเจ้าจะทรงตรัสรู้คนที่เขาปฏิบัติทำกันเขาก็ปฏิบัติได้แค่ขั้นรูปประชานกับอรูปประชาญก็คือขั้นรูปประพรมกับอรูปประพรมส่วนคนที่ทำบุญทำทานรักษาศีล ก็จะได้ขั้นเทวดาขั้นต่างๆแต่ไม่มีใครรู้จักวิธีขึ้นสู่ขั้นโลกุตตะขึ้นสู่ขั้นโสดาบันสกิตดาคามีอนาคามีอาราหารันไม่มีใครรู้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มารู้คนเดียวคนแรกก่อนเจ้าชายเศรษฐาออกบวชแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อให้ ได้พบกับโลกุตละธรรมแต่ไปศึกษากับอาจารย์รูปใดก็ไม่มีใครรู้โลกุตละธรรมว่าทําอย่างไรทําแล้วไม่ต้องเสื่อมได้ยศแล้วไม่ต้องให้เข้ามาปลดเราได้ได้เป็นเทวดาแล้วไม่ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ได้เป็นพรหมแล้วไม่ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อีกต้องขึ้นสู่ขั้นโลกุตละเท่านั้นถึงจะไม่เสื่อมและ ไม่มีใครที่จะรู้วิธีขึ้นไปได้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้จักคาว่าอริยสัจสี่สมัยนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นี้คำว่าอริยสัจสี่นี้ไม่มีใครเข้าใจไม่รู้จักทุกขส ม, มุทัยนิโรธมากกันรู้จักแต่สติรู้จักวิธีเจริญสติเพ่งใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี้เรียกว่าสติ ดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอนาปนานสติดูร่างกายคอยเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสตินึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอนุสตินึกถึงเทวดาก็เรียกว่าเทวานุสตินึกถึงความว่างก็เรียกว่า ความว่างนึกระลึกนึกถึงความเมตตาก็เรียกว่าเมตตาภาวนาอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบให้เป็นฌานเป็นสมาธิขั้นต่างๆเท่านั้นเองแต่พอพอกําลังสติอ่อนลงไปเมื่อไหร่อจิตก็จะออกจากฌานออกจากสมาธิลงมา เพราะว่ามีกำลังที่จะดันออกมาคือตัณหาความอยากต่างๆตัณหานี้ไม่ตายด้วยกำลังของสติสติเพียงแต่กดเอาไว้เหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าหญ้า ง, งอกขึ้นมาไม่ได้แตงหญ้าไม่ตายถ้าเอาหินออกมายกหินออกมาเดี๋ยวหญ้า ก, ก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะรากยังไม่ได้ถูกถอนออกมาจากดินฉนันใดตัวที่ทำให้เสื่อม จิตเสื่อมลงมาก็คือตันหาความอยากนี่เองถ้ายังมีตันหาความอยากอยู่เดี๋ยวพออยู่ในความสงบได้สักระยะหนึ่งมันก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะดันไห้ออกมาทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลาที่เรานั่งสมาธิถึงนั่งไม่ได้ตลอดเวลานั่งไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวกำลังกดมันหมดละสติหมดกาลังใครจะไปสู้มันไหว กดมันอยู่เรื่อยๆแต่ตัวที่คอยดันนี่มันดันอยู่ตลอดเวลาพอกาลังสติอ่อนลงปั๊บมันก็ดันให้ออกมานั่งแล้วรู้สึกเมื่อยรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาไปดูนั่นไปฟังนี่ถ้ามีอะไรเดิมมีอะไรกินหน่อยก็ดีมันจะออกไปแล้วคือความอยากมันดันออกมาเพราะว่าสติไม่มีความสามารถที่จะถอดถอนตันหาความอยากได้ ต้องขึ้นสู่ขั้นโลกุตตะต้องรู้เห็นอริยสัจสี่จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากใจอยู่นิ่งอยู่ในความสงบไม่ได้เพราะความอยากพอมันอยากวับมันก็ทำให้ทุกข์อยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่ในความสงบไม่ได้ก็ต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสรู้ว่าการที่จะทำให้ใจไม่เสื่อมหลังจากที่ได้ความสงบแล้วต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าตัวที่จะทำให้ใจเสื่อมก็คือตันหาความอยากต่างๆมีอยู่สามตัวการมาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาวาตันหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่ให้เขาทำอย่างนั้นอยากไม่ให้เขาทำอย่างนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาหรืออยากไม่ให้ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายหรือไม่อยากยากจนไม่อยากให้เขาด่าเราอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าภาวะตัณหาก็คืออยากให้เขาชมเรา อยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวนานอยู่เป็นร้อยปีพันปีเนี่นี่เรียกว่าภาวะตัณหาอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนนั้นทำตามคำสั่งของเราอยากให้คนนั้นเขาท ำ, ท ำ, ท, ำทำนู่นทำนี่ให้กับเราอยากให้เขาดีกับเราอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหานี่คือถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มันจะทาให้ใจสงบไม่ได้ ถ้าอยากจะทำให้ใจสงบถอดถอนความอยากอย่างถ้าววอยก็ต้องมองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันไม่เที่ยงได้ร่างกายมาแล้วได้สุขภาพดีมันก็ไม่เที่ยงมันก็ดีชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยห้ามมันไม่ได้ได้ร่างกายมาแล้วได้เกิดแล้วจะคิดว่าจะให้มันอยู่ไปตลอดมันก็อยู่ไม่ตลอดมันก็ต้องตาย ร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็คิดว่าจะจะอยู่ไปตลอดมันก็ไม่อยู่ตลอดได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปให้เขาทําอะไรเขาทําตามที่เราสั่งเดี๋ยวขา่ขาวคราวหน้าสั่งเขาก็ไม่ทําก็ได้มันก็หมดไปได้เงินมาเดี๋ยวก็ใช้หมดถ้าไม่ใช้เก็บไว้เดี๋ยวก็ถูกเขาเขาโมยไปหมด ถ้าไม่ถูกเขาขโมยไปเวลาตายไปก็ต้องจากกันอยู่ดีดงนั้นให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใจที่ตันหาความอยากอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องคืนเขาไปได้ร่างกายมาเดี๋ยวก็ต้องคืนร่างกายไปร่างกายนี้ได้มาจากใครก็ได้มาจากดินน้ำลมไฟ แ้เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเกิดให้กับดินน้ำลงไฟไปเวลาคนตายไปน้ำมันก็แยกออกมาจากร่างกายถ้าทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวน้ำที่มีอยู่ในร่างกายน้ามันก็ไหลออกมาตามทวารต่างๆไหลจนกระทั่งต่อไปมันกลายแห้งทิ้งไว้มันก็กรอบลมมันก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นเนี่ยไฟความร้อนก็หายไปจนในที่สุดก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน ท่า น, นั้นเองนี่คือร่างกายให้พิจารณาทุกอย่างว่ามันเป็นอนิจจ์อนัตตาแล้วมันทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาความอยากอยากให้สิ่งที่เราได้มานั้นเป็นนิจจ์เป็นสุขขังเป็นอัตตาแต่มันไม่เป็นมันจะเป็นอนิจจงทุกขขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆนี่คือปัญญาต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลามันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหยุด ไม่เอาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปเที่ยวไปกลับมาเดี๋ยวก็หายไปหมดไปให้เหนื่อยไปเปล่ า, าอยู่เฉยๆดีกว่าผลลัพธ์เท่าเดิมไปเวลาอยู่ก็ศูนย์เวลาไปกลับมาก็ศูนย์ไปทำไมไม่ได้เอาอะไรกลับมาเลยเอามาแต่ความทรงจำแล้วก็เสียเงินเสียทองไปโดยเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชนย์ลกลับมาก็มาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิม มีความอยากเหมือนเดิมอยากจะไปเที่ยวใหม่เหมือนเดิมอย่างนี้ทำไปทำไมทำกี่ร้อยเที่ยวมันก็แบบเดิมไปเที่ยววันนี้พรุ่งนี้พอกลับมาปั๊บเดียยเด๋ยวก็อยากจะไปใหม่นะพอไปใหม่กลับมาปั๊บก็เดี๋ยวก็อยากจะไปใหม่ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาความหมายก็คือไม่ได้ความอิ่มกลับมาแต่สิ่งที่จะเราจะได้ความอิ่มจากเราก็คือการไม่ทำตามความอยาก พอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็หายอยากคนอยากจะสูบบุหรี่นี่ลองอย่าไปสูบมันดูทุกครั้งที่มันอยากจะสูบไม่สูบมันเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปอยากไปเที่ยวนี่อย่าไปเที่ยวดูเลยรับรองได้เดี๋ยวมันก็หายอยากเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาตั้ง3วสามสี่สิบปีแล้วเมื่อก่อนก็เที่ยวอยู่ไม่ติดออกบ้ออกจากบ้านทุกวัน มันเห็นแล้วมันเบื่อว่าเมื่อไหร่มันจะพอ ท, ทีมันไม่ยอมพอมันไม่ยอมหยุดจะหยุดก็ต้องไม่ทําตามทุกความอยากนี้จะทำไม่ทําตามความอยากถ้าไม่มีกําลังก็สู้มันไม่ได้จึงต้องสร้างกําลังขึ้นมาสติคือกําลังที่จะสู้กับตันหาแล้วก็ปัญญาเป็นตัวที่จะเห็นโทษของความอยากถ้าเรามีสติแล้วมีปัญญามีสติมีกําลังสู้กับตันหา แล้วมีปัญญาให้เห็นโทษของความอยากว่านำให้เราไปสู่การตะคุบเงาท่านั้นเองการทำตามความอยากนี้เหมือนการตะคุบเงาเราเห็นเงาศาีรษะเราทอดอยู่ข้างหน้าเราจะไปหามันพอเดินไปหามันมันก็หนีเราไปละมันไปอยู่ข้างหน้านั่นแหละเราคิดว่าไปเที่ยวมีความสุขเราก็ไปเที่ยวกันพอกลับมาบ้านความสุขหายไปละต้องออกไปเที่ยวใหม่อีกละเอากลับมาไม่ได้ ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเนี่ยมันได้ขณะที่ไปเท่านั้นเองเพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมว้าเหวเหมือนเดิมนี่คือการใช้ปัญญาการเห็นอริยสัจสีเนี่ยเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากทำเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะได้ดังใจอยากได้บางครั้งบางคราวบางเวลาพอไม่ได้ก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่อยากจะทุกข์นะถ้าอยากถ้าไม่อยากที่จะต้องทําตามความอยากก็ต้องเห็นว่าทําไปก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์กลับมาได้แต่ความเสียอกเสียใจถ้าไม่มีอะไรเราจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีไหมไม่มีวันเสียใจความว่างไม่มีทําให้เราเสียใจแต่การมีอะไรนี่จะทําให้เราต้องเสียใจได้แฟนมาเดี๋ยวก็ต้องเสียใจกับแฟน เดี๋ยวแฟนทิ้งเราบ้างเดี๋ยวแฟนไปมีแฟนใหม่บ้างเดี๋ยวแฟนทะเลาะกับเราบ้างก็เสียใจกันถ้าไม่มีแฟนนั้นต้องมาเสียใจกับแฟนหเปล่าไม่ต้องเสียใจไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีแต่ถ้ามีแล้วต้องเสียใจแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่เข้าของเงินทองก็ต้องเสียใจได้เงินทองมาแล้วพอเงินทองหายไปก็เสียใจ หรือใช้หมดไปก็เสียใจหมดแล้วต้องหาใหม่นี่คือทุกในสิ่งต่างๆที่ตันหาพาเราไปหากันเราอยากสูบบุหรี่ลองไปสูบดูสิแล้วก็ต้องสูบไปจนวันตายอยากดื่มกาแฟลองไปดื่มดมูหยุดไม่ได้ต้องดื่มหยุดก็ทุกใช่ไหมไม่แต่ถ้าไม่หยุดก็ยิ่งทุกข์ใหญ่สู้ยอมทุกข์กับการหยุดดีกว่าเพราะมันทุกเดียวเดียว เหมือนกับเวลาที่เราต้องเอาน้นาที่เรามันตำเท้าเราต้องบ่งมันออกเวลาบ่งมันออกมันก็เจ็บหน่อยแต่พอแผลหายแล้วก็หายเจ็บแต่ถ้าเราไม่บง่ง้นาออกนี่เวลาเราเดินที่ไรมันก็ต้องเจ็บไปเรื่อ ย, อยตันหานี่ก็เหมือนกับน้นาที่ยอก อ, อกเรานะทิ่มแทงหัวใจของพวกเราเวลาที่จะถอนมันออกมานี่ก็จะต้องเจ็บเหมือนกับ เหมือนกับถอดถอนหนามเนี่ยเวลาถอนมันมามันเจ็บเวลาสู้กับตันหานี่มันทรมานแต่พอแพ้หายแล้วมันก็จะหายทรมานพอตันหาหายไปหมดแล้วต่อไปก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องดื่มบุหรี่ไม่ไม่ต้องดิมสูบบุหรี่ไม่ต้องดื่มกาแฟไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นสบายจะตายไม่ต้องทุกข์กับอะไร นี่คืออริยาาสัจสี่นี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร่งใครรู้ว่าตัณหาเกิดจากความทุกข์ต่างๆของใจเราเกิดจากตัณหาความอยากแล้วสิ่งที่จะมาหยุดความอยากได้ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องทําให้เราทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันจากไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรใครอยากจะได้ความทุกข์บ้าง ถ้าเราเห็นว่าเครื่องดื่มนี้ดื่มแล้วจะต้องเป็นมะเร็งเราเดื่มไปไหอนี่เขาไม่เขียนเขาไม่โฆษณาไว้เขาหลอกเราว่าดื่มแล้วสุขภาพแข็งแรงอแต่20ปีต่อมาก็พิสูจน์ได้ว่าเครื่องดื่มนี้ทําให้เกิดมะเร็งขึ้นมาต่อไปพอรู้ว่าเป็นดื่มเครื่องดื่มนี้เป็นมะเร็งนี้มีใครอยากจะดื่มไหมไม่มีใครอยากจะดืม่มพวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่เห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเรา นี่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนมาสอนว่าพวกเราเนี่ยหลงไปหาความทุกข์กันเองด้วย ด, ด้วยการมีความอยากแล้วสิ่งที่เราอยากได้นี่แหละที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้มาแล้วก็ต้องจากเราไปได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปดีไนหะเวลาได้แฟนมาใหม่ๆโอ้ยเขาดีกับเราทุกอย่างสั่งให้ทำอะไรทำให้หมดเลย แล้วพออยู่ด้วยการไปสักภาคหนึ่งต่อไปลองสั่งดูเลเออเออไม่เล้วจะไปทํานู่นจะไปทํานี่ขึ้นมาเลยพอสั่งแล้วไม่ทำแล้วเป็นยังไงเสียใจไหมดีใจหรือเสียใจนั่นแหละเรามองไม่เห็นกันการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมเราไม่มองกันเรามองว่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมได้มาแล้วจะต้องใหม่เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่ใหม่เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมหรอก ไม่ว่าจะเป็นคนหรือของรถนี่ก็เหมือนกันซื้อมาใหม่ๆก็ดีไปหมดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มพังเริ่มมีปัญหาให้เราต้องปวดหัวกับมันนี่คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเรามาจเจริญมาพิจารณาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ อยู่ในใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะหลุดพน้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาจะไม่ต้องเสื่อมลงไปเป็นพระอนาคามีพระสกิฎาคามีพระโสดาบันไม่ต้องกลงไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์อีกต่อไปเป็นพระอาาริยเจ้าเป็นพระนิพผ่านไปนี่คือความสําคัญของการมีครูมีอาจารย์ ที่จะคอยพร่ำคอยสอนคอยฉุดคอยลากคอยดึงเราให้ไปในทางที่ถูกที่ควรถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราก็มีครูอาจารย์อยู่แล้วครูอาจารย์ของเราคือใครรู้ไหมก็ตันหาความอยากของเรานี่แหละความหลงนี่แหละเป็นครูอาจารย์ที่ลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันมาแบบนับไม่ถ้วนแล้วจะมีใครเหรอก็มีความหลงเนี่ย หลงว่าเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาพอเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตา so ก็เกิดตัณหาความอยากได้เห็นลาบก็อยากได้เห็นยศก็อยากได้เห็นสรรเสริญก็อยากได้เห็นรูปเสียงกลิ่นร็ดต่างๆก็อยากได้พอได้มาแล้วเป็นยังไงมันเป็นนิจจังอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือมันเป็นอนิจจังมันเป็นสุขขังอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือมันเป็นทุกขังไป มันเป็นอนัตตามันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นของเราแล้วมันกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วได้แฟนมาไม่นานเดี๋ยวแฟนกลับไปเป็นของคนอื่นเข้าไปแล้ว <c oughs> คนอื่นมาแย่งไปแล้วคนอื่นที่ดีกว่าเราเก่งกว่าเราสวยกว่าเรารวยกว่าเราเดี๋ยวแฟนเราก็ไปเองเขาจะอยู่กับเราทำไมเมื่อเขามีของที่ดีกว่านี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามมองให้เห็น ในทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นท้งนั้นถ้าเห็นแล้วรับรองได้ว่าบวชชีแน่แน่บวชพระแน่แไม่รู้จะไปหาไปอยู่กับใครไปอยู่กับความทุกข์ไปอยู่ทำไมไปอยู่กับความสงบไม่ดีกว่าเลยนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีครูบาอาจารย์ท่านจะคอยสอนคอยเตือนคอยบอกคอยชุดคอยลากคอยดึงให้เราออกจากครูอาจารย์เก่าครูอาจารย์เก่าของเราก็คือโมหะอวิชชาตัหากิเลสทั้งหลายนี่แหละ เป็นตัวที่สั่งที่สอนเราเกิดมานี่พ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยใช่ไหมเรื่องราบยศสรรเสริญนี่อยากได้กันทั้งนั้นอยากมีแฟนกันทั้งนั้นเด็กไม่อายุไม่ทันสิบขวบก็อยากจะมีแฟนกับเขาละพ่อแม่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนเพราะมันมีมันมีอาจารย์อยู่ในใจอยู่แล้วสอนอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาค่าอาจารย์ที่มัน หอกให้เราไปเวียนไหว้ตายเกิดกันเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอาจารย์เพราะท่านได้ฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจของท่านแล้วถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอาจารย์สอนใจเราต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปเวียนไหว้ตายเกิดไม่ต้องไปเกิดไปเจ็บไปตายไม่ต้องไปทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปการปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์ถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่ มีรูปมีล่างมีชีวิตอยู่ก็ต้องเอาคําสอนของท่านไปยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่อย่าปฏิบัติโดยปราศจากอาจารย์เป็นอังคาดเพราะปฏิบัติไปแล้วจะต้องถูกอาจารย์ที่หลอกเรานี่คอยหลอกให้เราไม่ปฏิบัตินั่นเองมันจะหลอกให้เราไปหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่สําคัญ กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ปรารถนามักผลนิพพานผู้ที่ต้องศึกษาและปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์ปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้การสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสากครังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกปติอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจจตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัาะวะโสยะถามณิโชติ อราโสยะธาสัพติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายยโกภะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตารธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังพลัง ต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านบุใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาต่อไปถ้าไม่มีใครอยากจะถามก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณพอพัสคำว่าถูกผิดดีชั่วกับคำว่าพ่อแม่ควรยึดอะไรเป็นหลักคะพ่อแม่คือบุพการีแต่เวลาท่านทำไม่ถูกก็จะอ้างคำว่าปูถทชนแล้วก็อ้างสิทธิ์ว่าฉันคือพ่อฉันคือแม่แล้วหลักความถูกต้องความดีความชั่วคือต้องยึดหรือเปล่าคะถ้าพ่อกับแม่ทำผิดทำไม่สมควร แล้วอ้างแบบนี้มันก็ผิดกับหลักของพระพุทธเจ้าอย่างเวลาพ่อแม่โกหกทุกคนรู้ว่าโกหกผิดศีลบาปแต่ท่านกลับพูดว่าทำไมฉันเป็นพ่อเป็นแม่จะทำไม่ได้หรือถ้าสกัดตรงจุดท่านก็จะอ้างว่าท่านคือปูถุชนอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ น, นะคะหนูแค่อยากรู้ว่าหนูต้องยึดอะไรในชีวิต ระหว่างถูกต้องกับถูกใจพ่อกับแม่คะคือพ่อกับแม่ก็เป็นพ่อกับแม่ไม่ว่าเขาจะทาดีหรือทาชั่วความเป็นพ่อความเป็นแม่ของเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ไม่ได้เป็นลบล้างความเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาได้ดังนั้นแม้ว่าเขาจะทาดีทำชั่วการที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เราและเรามีหน้าที่จะต้อง ดูแลหรือทดแทนบุญคุณให้กับเขานี้เราก็ต้องทำถึงแม้ว่าเขาจะไปติดคุกติดตารางเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่เราก็ต้องไปดูแลไปช่วยเหลือกันส่วนเรื่องผิดเรื่องถูกก็มันก็ต้องเป็นไปตามผิดตามถูกถ้าพ่อแม่บอกให้เราไปทำบาปเราไม่ต้องทำก็ได้เพราะมันทำแล้วมันผิดเราก็ไม่ทำ แต่เราก็ยังเคารพพ่อแม่เหมือนเดิมเหมือนกับว่าท่านไม่ได้สั่งเหมือนกับเหมือนกับท่านไม่ได้สั่งให้เราทำบาปคือเราต้องรู้จักแยกแยะเรื่องเป็นเรื่องๆไปอย่าเอามาจับแพะมาชนแกะกันเดี๋ยวจะทำกลายเป็นคนอักตันอยู่หรือกลายเป็นคนเนรคุณไปได้จะอ้างว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่ควรที่จะมาเป็นพ่อแม่ของฉันอีกต่อไปถ้าไม่อยากจะเป็นพ่อแม่ก็กลับเข้าไปในท้องก็ไปเลย ให้เขาเกืนกลับเข้าไปในท้องหรือเวลาออกมาแล้วให้เขาจับยัดน้ำกดน้ำไปทิ้งในซ่วมไปถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นพ่อเป็นแม่กันได้อยู่แต่ถ้าดาวตาบใดเรายังมีชีวิตนี้อยู่ตาบนั้นเรายังมีพ่อมีแม่อยู่และบุญคุณอันประเสริฐของท่านก็ยังมีอยูอ่ไม่มีวันที่จะหมดไปได้ต่อให้เราทำความดีทดแทนบุญคุณท่าน มากน้อยเพียงไรก็ตามบุญคุณของท่านเราก็ยังใช้ไม่หมดนี่พระพุทธเจ้าท่านตัดเองในพระไตรปิฎกท่านบอกต่อให้เราแบกพ่อแบกแม่ไว้บนบาบนไหลเราปล่อยให้ท่านอุจจระปัสศวะลดตัวเราเลี้ยงดูท่านไปจนวันตายบุญคุณของท่านที่มีต่อเรานี้เราก็ยังใช้ไม่หมด มีวิธีเดียวที่จะทำให้บุญคุณของท่านใช้หมดก็คือทำให้ท่านพ้นจากอบายให้ได้ก็คือต้องทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันขึ้นไปให้ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ถึงแม้ว่าแม่จะเลี้ยงเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเองพอคลอดออกมาได้เจ็ดวันแม่ก็ตายไปแต่ความกระตันอยู่ความมีความข่ารลในบุญคุณของแม่ ไม่มาด่าแม่ว่าทําไมว่าเลี้ยงมาค่อดมาเจ็ดวันก็ทิ้งกูแล้วอไม่ได้คิดอย่างนั้นอแต่กลับคิดว่าการที่แม่คลอดให้เรามีชีวิตออกมาได้นี่นก็เป็นบุญคุณอันประเสริฐเลิศโลกแล้วแล้วพอมีโอกาสถึงแม้ว่าแม่จะตายไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปหาในสวรรค์จนเจออคิดดูซิว่าหาดวงวิญญาณในโลกสวรรค์นี่มันหาง่ายกว่า หาเข็มในมหาสมุทรหรือเปล่าอันไหนจะง่ายกว่ากันท่านยังอุตสาห์ดิ้นดนค้นหามาดาของท่านที่ตายไปแล้วว่าตอนนี้ไปจุติอยู่ที่พบไหนในที่สุดก็พบว่าอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นหนึ่งก็สามารถติดต่อกันได้เหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเราอยากจะหาเพื่อนหาฝูงหาพ่อหาแม่บางคนเด็กกำพร้าเนี่ยเดี๋ยวนี้หาพ่อหาแม่ได้ ถ้ามีอะไรเป็นหลักฐานสักอย่างหนึ่งสามารถที่ค้นชื่อใส่ชื่อเข้าไปเดี๋ยวคนที่เขารู้จักเขาก็จะบอกเราเองว่าคนนี้มีหรือไมอยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อต่อแม่นี้ไม่มีวันที่ไม่มีเหตุอันใดที่จะมาล้มล้างได้นอกจากกิเลสตัณหาโมหะอเวชาของตนเองเท่านั้นเองคือความในเราคุณ คนที่อาการยูนี้มักจะหาเอ็ดมาอ้างว่าไม่สมควรที่จะตอบแทนบุญคุณกับพ่อกับแม่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีบ้างเพราะเขาใช้ให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีบ้างคือจะทำให้เราไม่มีความเคารพในพ่อในแม่ไม่มีความกระตันยูต่อพ่อต่อแม่อันนี้แหละเป็นความผิดไม่ใช่เป็นความถูกต่อให้พ่อแม่สั่งให้เราไปขโมยไปทาผิดกฎหมาย แต่เรากลับไปโกรธพ่อแม่แล้วก็เลิกนับถือเป็นพ่อเป็นแม่กันอันนี้มันผิดร้ายแรงยิ่งกว่าการที่พ่อแม่บอกให้เราไปทำบาปทำผิดกฎหมายแต่เราไม่จำเป็นจะต้องทำตามถ้าสิ่งใดที่พ่อแม่บอกให้เราทำแล้วมันผิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเราไม่ต้องทำแต่เราไม่ต้องไปตอบโต้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้โต้ตแยง้งพ่อแม่ พ่อแม่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เราเป็นเหมือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์สอนให้ทําอะไรแล้วก็มีหน้าที่รับฟังไปอย่างเดียวส่วนเราจะนําเอาไปปฏิบัติหรือไม่นี้เป็นสิทธิ์ของเราแต่เราไม่มีมาศิธิ์มาโต้แย้งว่าคุณสอนผิดนะอย่างนี้ไม่ถูกนะอันนี้เป็นการสั่งสอนพ่อแม่เป็นการสั่งสอนครูบาอาจารย์ซึ่งไม่ควรจะกระทําำนี่คือเรื่องของ ความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นครูเป็นอาจารย์นี่มันล้มล้างไม่ได้บุญคุณนี้ล้มล้างไม่ได้จะชดใช้หรือไม่ชดใช้นี่อีกเรื่องหนึ่งเขาไม่เรียกร้องพ่อแม่ไม่เคยเรียกร้องบุญคุณจากลูกๆครูบาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องบุญคุณจากลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานจะทดแทนบุญคุณให้หรือไม่ท่านไม่สนใจ เพราะความปรถาถนาของท่านอยู่ที่ความเมตตาท่านอยากจะให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความรู้มีอะไรที่ดีที่จะได้ปกป้องรักษาชีวิตให้เดินไปในทิศทางที่ดีที่งามดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะประเด็นไม่มีวันใดที่เราจะสามารถยกเลิกการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตาม จะไล่แรงขนาดไหนถึงกับค่าเราก็ก็ช่วยไม่ได้ก็ก็ถือว่าหมดกันตอนนั้นถ้าค่าเราก็แสดงว่าเขาต้องการเลิกจากการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเพราะเขาเป็นคนสร้างเราขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนไปแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลิกสัญญาความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันพอเขาทาอะไรไม่ถูกใจเราหน่อยก็ เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความโกรธขึ้นมาไม่อยากจะเคารพนับถือเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของโมหะอวิชากิเลสตัณหาความอยากอยากจะทำอะไรตามใจอยากพอพ่อแม่มาขัดใจก็โกรธได้เพราะฉะนั้นขอให้เราแยกประเด็นออกไป เรื่องผิดถูกดีชั่วก็ต้องผิดมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเรารู้ว่ามันผิดเราก็อย่าไปทำมันแต่เราไม่ต้องไปโกรธพ่อโกรธแม่ไปเกลียดพ่อเกลียดแม่ไปเลิกความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อต่อแม่ คำถามจากคุณออยจิมาพี่ชายจะบวชแต่เขาเป็นโรคไตต้องฟอกมา16ปีแล้วบวชสายธรรมยุทธ์ค่ะทางวัดฉันมื้อเดียวเวลา8โมงแต่เขาต้องไปฟอกตอน11โมงเช้าฟอกิฟอก4ชั่วโมงออกมาก็บ่าย3แบบนี้หลังฟอกสามารถฉันอาหารและยาได้หรือไม่จะอาบัตผีสีหรือไม่คะฉันได้แต่จะไม่บวช ด, ดีกว่า ถ้าบวชแบบนี้อย่าไปบวชให้เสียเวลาบวชแล้วทำให้ศาสนาเสื่อมไปเปล่าคนที่มาบวชนี้ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ของพระได้อย่างเต็มที่ไม่มีการอ้างเหตุอ้างผลว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบตามพระวินัยได้ถ้ามาไม่มามีเหตุอยากจะยกเลิกคอนั้นคอนี้ก็อย่ามาบวชให้มันเสียเวลา คำถามจากผู้ฝากถามมีเวลาฟังธรรมช่วงกลางวันน้อยส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในรถเยอะเลยฟังธรรมพระอาจารย์ในรถขับไปฟังไปแต่ช่วงนี้ฟังไม่ได้เลยตอนขับรถพอฟังแล้วมันแวบเข้าสมาธิโดยไม่ตั้งใจทุกทีจะมีอาการปวดหัวมากอยากทราบวิธีแก้ค่ะก็หาเวลาปฏิบัติธรรมสิ หยุดทำงานหรือทำงานให้มันน้อยลงหาเงินให้มันน้อยลงใช้เงินให้มันน้อยลงจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นถ้ายังโลภอยากได้เงินยังอยากใช้เงินหาความสุขต่างๆอยู่มันก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาปวดหัวบ้างอะไรบ้างเพราะมันไม่มีเวลาพอนั่นเองคาถามจากคุณสมชยัยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้เกิดสติ หรือมีสติในการปฏิบัติธรรมเพราะมักจะเผลอบ่อยครับก็ให้ท่องพุทโธไปตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเลยพุทโธไปภายในใจเนี่ยไปไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุทโธไปเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธยืนก็พุทโธอาบน้ำก็พุทโธกินข้าวก็พุทโธทำไมเราคิดอย่างอื่นได้ทำไมเราพุทโธไม่ได้เวะ ตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ละไปเดินก็คิดถึงเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้อาบน้ําก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กินข้าวก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอให้พระพุทโธกับไม่ยอมพุทโธกันถ้าพุทโธแล้วมันทําให้ใจนิง่งมีสติทําให้ใจสงบแต่ถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็พุ้งขึ้นมามันก็ตัณหาก็เกิดตามมาความอยากก็เกิดตามมาอารมณ์ต่างๆก็เกิดตามมาเนีย การท่องพุโทโธนี้เพื่อหยุดความคิดเรื่องราวต่างๆใจจะได้ว่างจะได้เย็นจะได้สงบจะได้มีสติยับยั้งการคิดการพูดการกระทาต่างๆที่ไม่ดีได้นะถ้ฝึกท่องพุโทโธไปลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็พุโทโธไปเลยถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องสำคัญจริงๆก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวได้ แต่ถ้าไปคิดแบบไร้สาระคิดแบบเพ้อเจร์คิดแบบงมงายคิดแบบเพ้อฝันก็อย่าไปคิดมันให้เสียเวลามาคิดพุทโธพุทโธจะดีกว่าคำถามจากคุณสลายุทธข้อหนึ่งตอนนั่งสมาธิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในฌานครับและฌานหนึ่งถึงลักษณะอาการมันเป็นอย่างไรครับก็เวลาเรากินข้าเรารู้เปล่าว่าเราอยู่ขั้นไหนแล้วตอนนี้อิ่มขั้นที่หนึ่ง อิ่มขั้นที่สองอิ่มขั้นที่สามปฏิบัติไปมันก็รู้เองแหละไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านตำลงตำลาหรอกว่ามันตอนนี้อยู่ขั้นไหนเวลาปฏิบัติจริงๆเราไม่มากางตําราดูว่าเฮ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วเวลายาปฏิบัติก็อยู่แต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวภาวนามันไปอย่างเดียวจนกว่ามันจะรวมวุบลงไปแล้วก็นิ่งมันก็เหมือเวลากินข้าวไม่มาเปิดตําราดูว่าให้กินกี่คําแล้วเว้ยตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้ว เวลากินก็กินมันเข้าไปเรื่อยๆกินจนกะทั่งมันกินไม่ลงนั่นแหละมันก็อิ่มมันก็หยุดกินไป เ, เวลาภาวนาก็ภาวนามันไปเรื่อยๆพุทโธมันไปเรื่อยๆดูลมมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าตอนนี้อยู่ขั้นไหนตอนไหนหไปถึงขั้นที่มันสงบนิ่งแล้วพุทโธมันก็หยุดไปเองข้อสองที่บอกว่าเวลาออกจากฌานแล้วอย่าเพิ่องออกจากสมาธิ ให้พิจารณาทำในตอนนั้นเสียก่อนตอนผมนั่งก็จะนิ่งๆเบาๆสงบเราจะพิจารณาความนิ่งสงบที่ได้ยังไงดีครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าที่พิจารณาไปนี่มันถูกหรือผิดคือใบพิจารณาความสงบทำไมมันความสงบไม่มีอะไรต้องพิจารณาสิ่งที่เราพิจารณาก็คือเวลาที่เราออกจากความสงบมาแล้วขณะที่อยู่ในความสงบไม่ต้องพิจารณาอะไร คำว่าฌานกับคำว่าสมาธิก็คำเดียวกันหมายความคือความสงบเหมือนกันเพียงแต่ว่าฌานนี้ก็แบ่งเป็นหลายขั้นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ไปความสงบมีความมากน้อยต่างกันฌานที่หนึ่งก็สงบน้อยกว่าฌานที่สองฌานที่สองก็สงบน้อยกว่าฌานที่สามฌานที่สาก็สงบน้อยกว่าฌานที่สี่คือความหมายของฌานต่างๆเราไม่ต้องไป ขณะที่มันสงบนี้เราใช้ปัญญาไม่ได้เรามีแต่ประคับประคองด้วยสติให้มันสงบไปนานๆท่านั้นเองพอมันถอนออกมาจากความสงบแล้วออกมาคิดปรุงแต่งแล้วค่อยมาพิจารณาตายรักในรูปเสียงกลิ่นรสในลาบยศสรรเสริญในร่างกายของเราของคนอื่นอันนี้ให้มาพิจารณาหลังจากที่ออกมาแล้วแต่เวลาอยู่ในความสงบไม่ต้องไปพิจารณาความสงบแล้ความสงบมันไม่มีความมันไม่มีปัญหา สิ่งที่เราให้พิจารณาคือสิ่งที่มันมีปัญหา ท, ที่มันทิ่มแทงใจเราคือคนรักเราเนี่ยพิจารณาให้มากสักวันหนึ่งก็จะต้องทิ้งเราสักวันเขาต้องจากเราไปถ้าพิจารณาบ่อยๆก็ต่อไปเขาทิ้งก็จากเราไปเราจะได้ไม่เสียใจถ้าเราไม่พิจารณาเราจะคิดว่าเขาต้องอยู่กับเราก็ต้องซื่อสัตย์ต้องรักเราไปตลอดพอวันดีขึ้นดีเขาไปเจอของที่ดีกว่าไปเลย ไปแล้วท่านก็มาร้องหม่มร้องไห้ความสงบมั น, มนเป็นมิตรกับเรามันไม่ทิ่มแทงใจเราขอให้มีความสงบแล้วเราจะสบายใจไม่ต้องไปพิจารณามีแต่ให้สร้างมันขึ้นมาแล้วรักษามันไว้ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ของอย่างอื่นอย่าไปรักษามันรักษาไม่ได้แฟนรักษาไม่ได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองรักษาไม่ได้แต่สิ่งที่เรารักษาได้เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงก็คือความสงบนี่แหละ ข้อสเวลานั่งสมาธิมันเคลิม้มเคล้มเหมือนจะหลับพอรู้สึกตัวก็จะวุบๆเหมือนตกลงมาเหมือนคนนั่งสปงกบางทีนั่งไปแ ป, ป๊บเดียวออกจากสมาธิมาดูเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนเมื่อกี้เรานั่งไปแ ป, ป๊บเดียวเองเราจะสังเกตได้อย่างไรครับว่าเมื่อกี้เรานั่งหลับหรือว่าอยู่ในสมาธิกันแน่ ถ้ามันเป็นสมาธิมันจะตื่นตลอดเวลามันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันหายไปไหนเหมือนเราคุยกันอยู่ตอนนี้เรารู้ว่าเราไม่หลับใช่ไหมเวลาเราหลับเราก็จะไม่รู้เห็นเวลาใดที่เราไม่รู้แสดงว่าเราหลับเวลาที่เราเคริ้มเนี่ยมันแสดงว่าสติอ่อนกำลังไปละถ้าสติมีสมบูรณ์นี่มันจะรู้พุทโธ ท, ทุกคำไปเลยถ้าดูลมก็จะรู้เห็นลมทุกหายใจเข้าออก ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเั้ทั้งจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบสตินี่มันจะตื่นอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันจะเคลิ้มสับประหกไปงั้นปฏิบัติมันก็จะรู้เองเหือนเวลาเรานั่งแล้วสับประหกกับเวลาเรานั่งแล้วไม่สับประหกเรารู้เวลานั่งเล่นภายนี่มันไม่สับประหกมันตื่นอยู่ตลอดเวลา พอไปนั่งฟังเทศเท่น่อยเดี๋ยวเิาไปแล้วหลับไปแล้วคำถามจากคุณสุพ์ผมพยายามรักษาศีลห้าและศีลแปดทำให้รู้ว่าผมยังสามารถทำผีศีลได้ถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะแรงๆขึ้นมาในจิต ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันตรายต่อตนเองและสังคมผมควรปลีกตัวเองไปจากสังคมเพื่อฝึกจิตให้กล้าแข็งก่อนหรือควรจะเรียนรู้ต่อสู้กับกิเลสตัวเองในสังคมต่อไปดีครับวิธีไหนที่ได้ผลก็วิธีนั้นก็แล้วกันถ้าเราอยู่สังคมแล้วเราสามารถที่จะสร้างจิตสร้างกำลังให้เราสามารถรักษาศีลได้ก็อยู่ในสังคมไป ถ้าคิดว่าอยู่ในสังคมแล้วไม่สามารถสร้างกําลังขึ้นมารักษาศีลได้ก็ไปอยู่วัดอยู่วาก่อนก็ได้ไปฝึกไปสร้างกําลังขึ้นมาก่อนคําถามจากพระยานทโลภิกขุผมตั้งใจบวชเรื่อยๆตอนนี้เป็นพระนวากาพรรษาหนึ่งครับชอบฟังเทศครูบาอาจารย์เพราะจิตสงบดีและได้คิดตามบางประโยคถึงใจจะขนลุกฟังระหว่างกว่าดทู ที่ไม่ใช้สมองในศาลาก่อนปินทบา ท, ทุกวันเริ่มเดินจงกรมหลังฉันถ้าวันไหนฟุ้งก็จะเอาธรรมะใส่หูก่อนง่วงก็ฟังแล้วจะหายง่วงวันหนึ่งวันหนึ่งฟังรวมๆประมาณสามชั่วโมงสงสัยว่าการปฏิบัติแบบนี้มีข้อเสียไหมครับจะทำให้การเจริญสติน้อยลงหรือเปล่าและควรฟังวันละกี่ชั่วโมงดีครับ คือถ้าใหม่ๆยังไม่เข้าใจหลักธทาก็ฟังมากๆก็ได้แต่พอเราเริ่มเข้าใจแล้ ว, ลวเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็ลดการฟังลงให้น้อยลงให้เพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่ก้าวหน้าการฟังทมนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางก็ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าไม่ดูแผนที่แล้วออกเดินทางเดี๋ยวก็ไปผิดทางไปหลงทางได้ ดังนตอนต้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรให้ถูกต้องเราก็ฟังไปให้มากหน่อยก่อนก็ได้ฟังไปฟังไปจนกว่าเราจะเข้าใจจําได้ว่าเราต้องทําอะไรแล้วขั้นต่อไปก็ทําให้มากกว่าฟังลดการฟังให้น้อยลงไปเอาแค่เหลือเวลาชั่วโมงเดียวก็พอลอกนั้นก็ใช้เป็นเวลาเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาทางปัญญาไปจะดีกว่า แล้วการอ่านหนังสือธรรมด้วยครับควรจํากัดหรือระวังข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่าครับหนังสือธรรมถ้าเป็นหนังสือทางปฏิบัติก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นหนังสือทางปริยัตเรียนอ่านไปเพื่อที่จะไปสอบเอาเอาใบประกาศก็อย่าไปอย่าไปเรียนเพราะว่านั่นมันเป็นการไปจดไปจําแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราเรียนเพื่อที่จะเอามาประกับการปฏิบัตินี้ จะดีกว่าถ้าหนังสือเป็นหนังสือที่เขียนโดยครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินี้จะจะใกล้ชิดจะต่อแนวปฏิบัติมากกว่าหนังสือที่เกี่ยวที่เขียนตามเป็นตำราเขียนเป็นตำรานี้มันจะเป็นมีแต่ลายชื่อของธรรมต่างๆแล้วก็ให้จดให้จําไว้ว่าอริยสัจสีมีอะไรบ้างตายรักณมีอะไรบ้าง แต่จะไม่ได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติวิธีเจริญให้เกิดธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าอ่านหนังสือทางปฏิบัติแล้วท่านจะไม่ท่านจะท่า น, นจะเน้นวิธีการสร้างธรรมหลักต่าง ๆ, ๆขึ้นมาอา่านหนังสือทางแนวปฏิบัติแล้วจะได้นําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าอ่านแนวทางปริยัติทางตำรานี้อ่านแล้วไม่รู้อ่าจะเอาไปสร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมักจะไม่ได้แสดงวิธีการสร้างธรรมต่ททาง ๆ, ๆขึ้นมา นั้นถ้าจะอ่านหนังสือธรรมะก็ขอให้อ่านหนังสือทางแนวปฏิบัติจะดีกว่าอ่านได้หรือฟังได้ถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องอ่านมากฟังมากวันละชั่วโมงก็พอคำถามจากคุณแนนข้อหนึ่ง ตอนนี้ที่ดิฉันปฏิบัติคือสวดมนต์ก่อนแล้วเดินจงกรม30นาทีและนั่ง30นาทีตอนสวดมนต์และเดินมีสมาธิและสติจดจ่อได้แต่เมื่อนั่งสักครู่มักจะหลับทุกครั้งทำอย่างไรสติถึงจะยังคงอยู่คะการปัญหาของความเ่ว่งนอนมันก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ผู้ปฏิบัตินี้จะต้องรับประทานอาหารพอประมาณแทนที่จะรับประทานวันละสา ม, มื้อนี้ก็ควรจะลดเหลือมื้อเดียวหรือถ้ายัางมื้อเดียวไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่ารับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วผู้ที่จะบําเพ็ญภาวนาได้ได้ผลดีควรจะถือศีลแปดถ้าถือศีลห้านี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสร้างสติขึ้นมาให้ให้ไม่ง่วงนอนได้ หรือถ้าเราคิดว่าเราอดอาหารไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวไปนั่งสมาธิที่น่ากลัวเช่นไปนั่งที่ป่าช้าอย่างนี้ไปอยู่ที่มันมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นถ้ามันมีความหวาดกลัวแล้วมันมักจะไม่ค่อยง่วงนอนมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาข้อสองดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทําสมาธิทีไรไม่ว่าจะเดินหรือนั่งอาการเจ็บป่วยจะแสดงออกมามาก บางครั้งแทบทนไม่ไหวดิฉันควรกำหนดจิตหรือสติอย่างไรคะก็อยู่ที่กําลังของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้เวลาเกิดการเจ็บของร่างกายถ้าเรามีสติเราก็ยึดติดกับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราดูลมก็ดูลมไปให้มีอะไรยึดเหนียวจิตใจไว้อย่าให้เราไปคิดถึงความเจ็บต่างๆ ความเจ็บต่างๆก็จะไม่มารบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากให้หายเจ็บที่เกิดจากใจของเราที่ไปคอยดูความเจ็บให้เราอย่าไปสนใจกับความเจ็บให้เราถ้าเราบริกรรมพุทธโธก็ให้สนใจอยู่กับคําบริกรรมพุทธโธเพียงอย่างเดียวแล้วใจจะไม่สร้างความเจ็บขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไป พอไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บทางร่างกายก็จะรู้สึกไม่ใหญ่โตไม่สำคัญอยู่กับมันได้อันนี้ก็วิธีแรกวิธีใช้สติวิธีที่สองถ้าเรามีกำลังที่จะดูความเจ็บแล้วทำความศึกษาธรรมชาติของความเจ็บให้เห็นว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรมันอะไรเจ็บใครเจ็บ ความเจ ت ت like ็บอยู่ตรงไหนเราเป็นใจความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายร่างกายมันเดือดร้อนไหมกับความเจ็บร่างกายมันไม่เดือดร้อนทั้งๆที่มันเป็นผู้ที่รับความเจ็บอยู่แต่ใจเป็นเพียงที่มารับรู้ทำไมไปเดือดร้อนแทนร่างกายถ้าร่างกายมันรับได้ก็ปล่อยมันรับไปใจเราอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเราไปจัดการกับมันไม่ได้ เราไปห้ามหรือไปทำให้มันหายไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นมาถ้าเราไปอยากให้มันหายเราจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายอมรับแล้วปล่อยให้ความเจ็บอยู่กับร่างกายไปมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปเราเป็นคนดูก็ดูมันไปอยากไปอยากให้มันหายใจของเราก็จะไม่ทรมานและเมื่อไม่ทรมานเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบาย แล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าวิธีต่อสู้กับความเจ็บก็คือต้องหยุดความอยากของเราเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปเพราะอยากแล้วมันจะทรมานใจขึ้นมาเพราะมันไม่หายคำถามจากคุณธรรมะส่งต่อปัจจุบันนี้ผมจะใช้วิธีกาหนดดูนิมิตเป็นอารมณ์คือใช้จิตมองดูนิมิตเป็นดวงกลมที่กลางอก ไม่ใช่แนวธรรมกายนะครับแต่นิมิต ท, ที่กาหนดขึ้นมานี้ไม่ได้กาหนดว่าให้เป็นลักษณะอย่างไรกาหนดแล้วเห็นอย่างไรก็มองดูอย่างนั้นเช่นบางครั้งเป็นแก้วใสาบางครั้งเป็นแก้วทึบแต่จะกาหนดดูไม่นานปกติจะทาในระหว่างวันที่ทางานไปด้วยคิดมาได้ก็จะทำการทำแบบนี้จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับ ก็การดูดวงแก้วนี่ก็เป็นเหมือนดูกสินมันก็เป็นกรรมฐานแบบหนึ่งซึ่งมีอยู่40ชนิดด้วยกันเป็นอารมณ์ที่ผูกใจไว้ให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเพ่งดูดวงแก้วก็ดูไปข้อสําคัญก็คืออย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เล้วให้มันรวมเข้าสู่ความสงบถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้ก็ถือว่าถูกต้องไม่เสียหายไม่ผิดแต่อย่างใด คำถามจากคุณยุย้ยลักษณะของจิตตอนที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในอยู่ในอารมณ์เดียวกับจิตที่เป็นอุเบกขาตอนเจริญวิปัสนาเหมือนกันหรือไม่คะก็คืออุเบกขาก็เรื่องของอุเบกขาเวลาเจริญวิปัสนานี้ก็เป้าหมายก็คือเพื่อรักษาอุเบกขาให้มันอยู่ต่อไปถ้าปกติถ้าเราไม่เจริญปัญญา พอเราเห็นขนมปั๊บมันอยู่อุเบกขาไม่ไหวแล้วเห็นกาแฟปั๊บมันไม่ไหวแล้วมันอยากจะไปกินขนมไปดื่มกาแฟแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้มันกลายเป็นอุจจาระไปกลายเป็นปัสสวะไปมันก็จะกลับมาเป็นอุเบกขาได้นี่เขาเรียกว่าวิปัสนาคำถามจากคุณลลนชัยเวลานั่งสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ จะมีความรู้สึกว่าลมต่างที่ขันมันทำงานผ่านมาแล้วผ่านไป ป, ปัจจุบันใช้กายเป็นวิหารธรรมแล ะ, จะเจริญอาณาปณนนสติใช้ปัญญานำสมาธิอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาเห็นไตร ล, ลักษณ์ไหมครับ ก็ไม่บอกว่าเดินปัญญาอย่างไงเนี่ยบอกว่าใช้ปัญญานําแล้วเราจะไปรู้ว่าปัญญาของคุณเป็นอย่างไงถ้าคุณพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตลยักก็เรียกว่าใช้ปัญญานำํำเช่นเวลาอยากหิวกินข น, นมก็เห็นว่ามันเป็นอุจจาระไปมันก็หยุดความหิวอยากกินได้มันก็กลับมานั่งสมาธิต่ตอได้อังนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าปัญญานําเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็น ตายรักหรือมันเป็นอุจจระเป็นปฏิกูลเป็นสกปรกเป็นอสุภะเห็นคนหล่อคนเหลาเห็นคนสวยคนงามก็อยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องเห็นให้เขาเป็นซากศพไปถ้าเห็นเป็นซากศพไปมันก็จะกลับมาที่อุเบกขาแมันก็จะไม่ไปทําตามความอยากได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัญญานำปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาตายรัก เพื่อหยุดความอยากที่มาทาให้ใจไม่สงบพอเห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นว่าเป็นปฏิกูณมันก็จะหยุดความอยากได้พอความอยากหยุดได้ความเป็นอุเบกขาก็กลับมาความสงบก็กลับมาก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมดแล้วเหรอนิดเดียวในที่นี้มีใครอยากจะถามบ้างไหมอ่ามาส่งไมมา กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ก่อนที่จะขึ้นเขาพอดีหนูก็ได้คุยกับพี่ๆนะคะเรื่องว่าเราจําเป็นไหมว่าปฏิบัติแล้วต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็ยังพูดกันอยู่ว่าเราจําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนเราจะเดินทางเราก็จําเป็นต้องใช้แผนที่พอดีพระอาจารย์ก็เทศตรงกับที่พวกหนูคุยกันพอดีก็เลยเกิดความปิติแล้วก็ได้กระจ่างในธรรมค่ะแต่ก็ยังมีคําถามว่าพระอาจารย์บอกว่า ให้ออกจากความสงบก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาพิจารณาตัวหนูเองขณะที่ทำสมาธินะคะจิตสงบแต่พอสงบแล้วเวลาจะออกจากสมาธิจะสะดุง้งตัวโยนเลยแล้วก็จะตกใจแต่ก็จะภาวนาพุทโทต่อแล้วหนูก็ไม่ไม่ได้ใช้การที่จะพิจารณาด้วยปัญญาแต่มีเพียงแค่ความตกใจแล้วพยายามแก้ไขความสะดุง้งว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่สะดุ้งนะคะ แล้วก็เวลาปกติเนี่ยที่ตรงที่หนูพิจารณาตรงที่ว่าคนเราเกิดมาก็คือไม่เที่ยงแท้ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เข้าใจทุกอย่างว่ามันไม่จีรังแล้วก็ยั่งยืนนะคะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ทราบว่าหนูทำถูกต้องไหมว่าหนูไม่ใช้ปัญญาขณะที่ทำสมาธิแต่ไปใช้เวลาที่หนูอยู่ปกติโดยการลืมตาแล้วก็อยู่ความสงบนิ่งนะคะ ก็การเจริญปัญญาก็เจริญได้ทุกกิริยาบทเวลาออกจากสมาธิมาแล้วไม่ให้เจริญในขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาทํางานเวลาเห็นใครก็พิจารณาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้หมดเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักไปหลงชอบไปอยากได้มาเท่านั้นเ อ, ง, องนั้นก็พิจารณาได้ทุกเวลานาทีหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาสะดุ้งก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้พิจารณาว่ามันก็เป็นตายรักษเหมือนกันความสะดุง้ง เหมือนเดินไปสะดุดเห็นเดินเตะเห็นแล้วก็แล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปไปพยายามกำจัดมันมันไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปกำจัดมันมันจะสะดุ้งก็ปล่อยมันสะดุ้งไปเพราะมันสะดุ้กปั๊บแล้วมันก็หายไปสิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เป็นของเราเป็นนานๆอยากไม่ให้เขาจากเราไปอย่างนี้ยต้องพิจารณาว่าเขาต้องจากเราไปเขาจะไม่อยู่กับเรานานๆ เพื่อที่เราจะได้ตัดใจเสียแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราหรือเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือปัญญาทําหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วทําได้ทุกท่าทุกเวลานาทียกเว้นเวลาอยู่ในสมาธิเวลาเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้ทําเหมือนกับเวลาทํางานทําได้ตลอดเวลายกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้นเองสาธุเจ้าค่ ะ, ะมีใครอยากกระทำอีกไหม